นโมตัสสะภควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโคภุญยจสสะอุเยโยสุขาสังคสะสามัคคีตี ก็ลำดับตัวไปนี้ช่วงที่พระรับอาหารวิาาทยาบทญาโยมก็รอนิดหนึ่งว่าในช่วงวันนี้มีกิจกรรมการบำเพ็ญฐานพิเศษตรงที่คุณทัศนีกลิ่นอังกาบกับคณะได้พากันรวบรวมปัจจัยทายธรรมเพื่อที่จะมาสมทบทุน ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ของพระเทียนและรูปเหมือนของพระเทียนประจําไว้ที่ตรงนี้คนะือรอบลอบ้อมพระเจดีย์นี้จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเทียนซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งคุณหมอทววรจะได้ชี้แจงในโอกาสต่อไปถึงเจตนาลุมในการสร้างซึ่งปัจจุบันนี้ก็กําลังมีการทํารูปเหมือนของพระเทียนอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีม า, ามาก็ได้ไปตรวจสอบเรื่อยๆว่าทำอย่างไรให้รักษาวิธีการข้อเทในลักษณะที่เป็นรูปลักษ์เอาไว้ส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นคําสอนส่วนหนึ่งและในส่วนที่เป็นเนื้อหาภาคปฏิบัติในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะเก็บในส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางโปรติศาสตร์และหลักฐาน ในการเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการปฏิบัติก็จึงได้ทำรูปเหมือนของท่านเป็น14จังหวะตามวิธีการที่ท่านสอนออกมาเป็นหล่อเทเป็นรูปทองเหลืองนะแล้วมาสดิทประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งรายละเอียดต่างๆค่อยฟังจากคุณหมอาวรต่อไปในส่วนที่ปัจจัยในการก่อสร้างดยคุณหมอทวรรับเป็น เจ้าภาพตนทางให้ซึ่งก็จะเป็นผู้รวบรวมปัจจั ย, ายาทายธรรมทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทในการสร้างรูปเหมือนทื่เป็นทองเหลืองทั้งหมดมาประดิษฐ์ไว้ซึ่งก็จะได้รวบรวมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบซึ่งกะว่าญาติโยมที่มีความเรื่มใสและมีความ ปราัถนาที่จะให้งานหลวงพ่อเทียนได้ดําเนินการต่อไปให้ส่งทอดถึงอนุชนลูกหลานรุ่นต่อไปเหมือนกับบรรพบุรุษของเราได้ทํามาที่ได้ทํารูปรักษ์เหมือนของพระพุทธเจ้าตลอดถึงการจะเลือกคําสอนออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นคําสอนส่งทอดมาถึงปัจจุบันจนกระทั่งพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายในมาศึกษาต่อจนมาถึงหลวโพ่อเทียน ท่านก็ได้อาศัยหลักฐานประวัติศาสตร์เหล่านี้ศึกษา ต, ต่อมาจนได้เข้าถึงสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าท่าได้สั่งสอนเอาไว้เราก็หวังว่าจะาบุคคลผู้ที่เป็นอนุชนรุ่นต่อไปอย่างพวกเราเราตมาเองก็ได้อาศัยร่องรอยทางคําสอนและประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นส่วนสืบทอดคําสอนอันวิเศษนี้ต่อไปอ นานเท่านานอาจจะเป็นร้อยร้อยปีหรือเป็นพันปีขึ้นไปส่วนเนื้อหาสาระในวิธีการพธธูดเฮียนมาอยากจะนำเสนอในจุดนี้ว่าเพราะเหตุใดจะมีความสำคัญเหมาะสมที่จะเก็บจารึกไว้ทางเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำรับตำรา อ, อย่างไรหรือไม่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เรามีปัญหาและความทุกข์เป็นอันมากเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ทำหน้าที่ของมันเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์<ม>ก็ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติทางฝ่ายรูปเช่นว่าเหตุการณ์สถานที่ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองอยู่ในประเทศอินเดียก็หายขาดหายไปไม่เจริญอยู่ในในกลุ่มประเทศเอเชียแต่มาออกเชียงใต้เช่นพม่าไทยลาวขาเขมร ลังกาเป็นต้นซึ่งก็ตอนหลังมาเมื่อศาสนาอื่นซึ่งมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมมากกว่าก็เข้ามาเบียดเบียนพื้นที่ในเอเชียตะออกเชียงใต้จนกระทั่งพุทธศาสนาลวนเลเซล้มไปบางประเทศเกี่ยวกับัฐทิการเมืองแม้ในประเทศไทยของเราก็น่าเป็นห่วงว่าในการปกครองยุคใหม่เนี่ยพุทธศาสนาจะ มีพื้นที่ในการทํางานสักเท่าไหร่เพราะมีศาสนาอื่นเข้ามาเบียดเบียนพื้นที่มากขึ้นเช่นทางเหนือเนี่ยทางฝ่ายชุมชนอิสลามได้มากกว่าซื้อทางเหนือไทยอีสานมากขึ้ น, นตลอดถึงการเป็นสื่อในการชี้นาการเผยแพร่ทางศาสนาวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมากขึ้นชาวพุทธของเราก็มีปัญหามากมายมากขึ้น เช่นที่เราได้ทราบข่าวจากนางสึพิมซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรธธษฐกิจการเมืองสังคมทำให้พุทธศาสนา <c oughs> มีปัญหาในการเผยแพร่มากขึ้นด้ว ย, ยาาระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกดของนิจังแต่เราก็พยายามยื้อพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินไทยของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะพุทธศาสนาได อย่างลากลุงในประเทศไทยประมาณ 2,000 ถึงเกือบ 3,000 ปีเนี่ยก็ทำให้ได้หล่อหลอมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นพุทธศาสนาได้มากมายจะรอดถึงหล่อหลอมชีวิตจีใจของผู้คนให้มีบุคลิกและสายพันธุ์ไปทางที่เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ไปทางที่มีเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนประเทศชาติอื่นๆที่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดการลบราคาฟันล้างเผ่าพันธุ์กันแต่ในประเทศไทยของเราไม่มีความรุนแรงถึงขั้นนั้นเพราะอาศัยพระพุทธศาสนาได้ประคประคองอประเทศไทยของเราในหลายๆรูปแบบไม่ว่าศีลธรรมวัฒนธรร ม, รรมและตลอดถึงคําสอนที่ฝังไว้ในจิตใจผู้คนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการให้อภัย และตลอดถึงสร้างบุคลิศนิสัยให้เป็นคนขยันมั่นเพียรเป็นคนอดทนและเป็นคนที่ <c oughs> มีความฉลาดสามารถในการสร้างศิลปวัฒนธรรมของตนเองตลอดถึงเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเราได้แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยอานาจพลังอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเมื่อมีความจาเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายก็เรียกว่า คนที่จะหวงแหนรักษามรดกาทางธรรมนี้ไว้เรียกว่าเป็นธรรมทายาทเราทั้งหลายก็เป็นธรรมทายาทแต่ธรรมทายาทจะดํารงอยู่ได้ก็อาศัยอมิสทายาทคือมีศาสนวัตถุศาสนสถานศาสนพิธีศาสนาบุคคลเป็นธรรมท่เป็นส่วนอมิสทายาทและในส่วนธรรมทายาทก็คือหลักปฏิบัติเรียกว่าศาสนธรรม ให้เราได้ดำรงสืบมานั้นเองวันนี้ทางคุณทัศนีและคณะที่ได้พากันมาจากกรุงเทพเดินทางไกลแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนอกจากเสียสละความสุดกสบายความาสะดวกต่างๆอุปกบทนอนเดินทางก็ยังได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัวบางส่วนได้ม า, าสมทบในการาสร้าง หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนวัตถุและศาสนสถานไว้ในที่นี่ทา่านี้ทางคุณทัศนีเองก็ได้รู้ความเป็นไปเป็นมาในวิธีการหลงพ่เทียนอยู่บ้างโดยการเข้าร่วมการปฏิบัติเจริญสติแบบนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทาง <c oughs> ฝ่ายกลุ่มชมรมคนเพียรกรุงเทพได้จัดขึ้นที่ชมรม สีปทุมรีสอร์ทเป็นเวลา7วันคุณทัศนีก็ได้เข้าร่วมงานนั้นด้วยเมื่อได้ทราบถึงเจตนาลมของคุณหมอทวรที่ได้แจ้งให้ทราบว่าเราจะทำอนุสาวรีย์หรือภาพเหมือนหลวงพ่อเทียนในการสร้างจังหวะในพิพภัณฑ์ของที่นี่เซเลิรนิมนชันครับของที่นี่ก็เลยอยากมีส่วนร่วมก็ได้รับเอามาเป็นภาระร่วมกัน อันนั้นเองมาภาพในนามของผู้ดาเนินการและดูแลสถานที่ก็ได้อนุทนาเจตนาของท่านเจ้าภาพหลายๆท่านที่ร่วมกันมาในวันนี้นะแล้วก็จะนำเอาปัจจัยในส่วนนี้ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารุม์ของท่านเจ้าภาพให้จนสำเร็จนะถ้าไม่สำเร็จอย่างไรก็ต้องมาช่วยกันเรื่อยๆนะ แตรมาเองนั้นมีภารกิจในการเผยแพร่มากมายเพราะว่าแต่ละปีนั้นก็อยู่วัดเพียงไม่กี่กี่เดือนเพราะว่าต้องจาลิกไปทั่วโลกตามที่พุทธองค์ท้าได้สั่งเอาไว้ว่าจารัฐาพิขเวจาริกังภูชนะหิตายภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวมนุษา์นังน ท่านบอกสั่งเอาไว้ว่าดูกนพิกสูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่ขามนิคมและประเทศต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะไปประกาศพรหมจรรันทร์ที่ให้บริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้หมวลมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบเพื่อคนที่ ยังไม่มีศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีความเพียรก็จะได้เกิดความเพียรคนที่มีความเพียรอยู่แล้วก็จะได้เพียรมากขึ้นเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างทางธรรมแสงสว่างทางในเป็นธรรมจักรสุให้เกิดขึ้นแก่สัมภสสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสัมภัสัตว์ทั้งหลายนั้นจักรสุ มักจะบอดพื้ไปด้วยอํานาจของอวิชชาก็ให้เกิดราคะโทสะโมหะครอบงําจักสุแล้วมองมาเห็นความจริงของโลกคือหลักของอนิจจังทุกขังนาตาที่ทํางานของมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองมาเห็นความจริงในส่วนหลักแล้วก็จะกลายมาเป็นความจริงที่เป็นสมุทัยในขั้นลึกขึ้นไปเรียกว่าสมุทยัยให้เกิดทุกข์ก็คือ <c oughs> กิเลสขั้นหยาบแต่แก่ราคะโทสะโมหะ กิเลสขั้นกลางได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิและกิเลสขั้นละเอียดที่สุดได้แก่กามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะได้ฝังลึกลงไปในจีใจของสัมมาสัตว์เป็นเห็นให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเวียนไว่ายตายเกิดทุกข์พบทุกชาติไม่มีที่สิ้นจบจนกระทั่งเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกตายอีกก็ไม่ยังไม่สุขไม่สิน้นก็เพราะว่า เราทั้งหลายยังไม่รู้จักที่มาของทุกและเหตุเกิดทุกการดับทุกแลวิธีการดับทุกท ก, ท ก, ก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักนี้ก็ไม่สามารถที่จะตัดลดทดทอนซึ่งภพชาติที่มันมีมากมายให้สั้นลงได้จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ความจริงอันนี้แล้วนํามาสอนเราว่าเราทั้งหลายที่จะลดละอวิชาตาหาวทานลงได้อย่างไรท่านมาบอกวิธีการ แล้วก็เราทั้งหลายเมื่อได้สดับตรัพฟังและบรรทุนทั้งหลายได้สดับตรัพฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้จาริกไปที่ต่างๆไปบอกความจริงอันนี้เราก็ได้เมื่อพืชปฏิบัติตามก็สามารถลดละความรุนแรงของอวิชชาตันหาอุปทานลงได้บ้างแล้วลดภพชาติที่จะไปเสวยความทุกวิบากกรรมต่างๆให้สั้นลงมาเรื่อยๆจาก7ปี7เดือนเวัน นะและหนึ่งวันที่ท่านได้ประกันเอาไว้ก็สามารถที่จะทําได้เมื่อคนบางคนที่มีบุญกุศลเพียงพอก็เริ่มเข้ามาบําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลบําเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของอวิชชาตันหาวัฏฐานได้มากขึ้นนั่นคือมาเจริญสมถะเมื่อบําเพ็ญทานได้เป็นนิสัยกว้างขวางขึ้นเพราะว่าการให้ทาน นั้นสามารถที่ขจัดความโลภได้การทําสมาธิและการเจริญเมตตาภาวนาสามารถจะขจัดความโกรธได้และการเจริญปัญญาสามารถที่ขจัดความหลงได้แต่นั้นเบื้องต้นในะเมื่อเรายังมีความโลภมีความอยากมีตัณหาราคะรุนแรงอยู่เราก็ต้องมีการบําเพ็ญทานมีการให้มีการเสียสละเรื่อยๆ นิสัยในการให้การเสียสละแล้วก็สามารถที่จะสละในสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวสละตัวเองสละสเวลาสละทรัพย์สินของตัวเองออกไปเพื่อที่จะนําไปสู่การเสียสละความไม่รู้คือความเห็นแก่ตัวเ <c oughs> สียละความโลภความโกรธความหลงออกไปเรื่อยๆเมื่อความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาแทน เมื่อสีสมนทติปัญญาปรากฏขึ้นมาแทนมากขึ้นมากขึ้นแสงสว่างแห่งยานปัญญาก็เกิดขึ้นและแสงสว่างนี้เองจะนำให้เห็นว่าอาวิชชาเกิดมาจากอะไรความโง่เขลาเกิดมาจากอะไรความใคร่ความอยากเกิดมาจากไหนความโกรธความไม่พอใจหงุดหงิดโมโหเหล่านี้เกิดมาจากอะไรและความหลงเพลิดเพลินในกรรมอขุนทั้งหลายเกิดมาจากอะไร ยานปัญญายเหล่านี้จะส่องให้เห็นถึงตนตอรแลรุกรากของกิเลสเหล่านี้แล้วเราสามารถจะถอดถอนออกได้โดยไม่ยากเมื่อถอดถอนกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วเนี่ยความทุกข์และปัญหาต่างๆก็ค่อยหมดไปหมดไปจิตใจของเราก็จะสงบเย็นเรียกว่ามรรคผลนิพพานอันนี้คือความเป็นมาอย่างย่นย่อของคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งให้ไปทำว่าจงประกาศพรมจรรย์ให้บริสุทธ บริบูรณ์สิ้นเชิงหมายความว่าให้ถูกต้องทั้งอัตตะคือหมายถึงเนื้อหาและประโยชน์ที่เราควรจะได้ได้แก่ความไม่ทุกข์ความไม่เดือดร้อนทั้งกายทั้งใจนี่คือประโยชน์ที่เราครจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดเรียกว่าปรมัทธประโยชน์ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราทําได้ประโยชน์ในระดับที่เป็นเนื้อหาคือประโยชน์ที่ได้โดยตรง เราก็ต้องรักษาอาาัถะคือรูปแบบเอาไว้ถ้าไม่มีรูปแบบเราจะค่อยสู่เนื้อหาไม่ได้เช่นเราไม่มีรูปแบบในการปรุงอาหารเราก็จะรับประทานลาบากเราไม่มีรูปแบบในการ ห, งหุงนึข้าวให้อ่อนหน้ารับประทานเราก็จะไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เราต้องมีรูปแบบเช่นรูปแบบในการทําอาหารจะต้องมีเตามีหม้อแกงมีน้าํามีไฟมี รายละเอียดของเครื่องแกงต่างๆก็จะสําเร็จมาเป็นอาหารแต่ละอย่างในการเตรียมสิ่งรายละเอียดเหล่านี้ที่ว่ารูปแบบแต่สาระที่เราได้คือเนื้อหาก็คือเรารับประทานอาหารแล้วอิ่มมีกำลิกำลังต้องพึ่งพากันทั้งสองส่วนตามภาษาศ า, าสน า, าแล้วพร้อมทั้งอาธธาัตถะคือเนื้อหาและประโยชน์พร้อมทั้งพยัญชนะคือรูปแบบที่เหมาะสมที่จะแปลงวัตถุดิบแปลงส ม, มุติทั้งหลายนี้ให้เป็นสิ่งควรแก่การบริโภคนะ ก็คือใช่รูปแบบของศีลรูปแบบของสมาธิรูปแบบของปัญญาเช่นรูปแบบของศีลเราจะต้องมาสมทานศีล5ศีล8หรือศีล227ตามศรัทธาของเราคนไหนมีศรัทธาน้อยก็สมาทานศีล5ไว้ก่อนคนไหนมีศรัทธามากขึ้นก็สมทานศีล8คนไหนมีศรัทธามากขึ้นก็สมาทานศีล227ร้คนไดนมีศรัทธามากขึ้นก็เข้ามาปฏิบัติสมาธิคนไดนมีศรัทธามากขึ้นก็เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนา นั้นฐานศรัทธาจึงเป็นฐานที่สําคัญแต่คนที่จะเกิดศรัทธาได้ต้องอาศัยรูปแบบถ้าไม่มีรูปแบบเราก็ยังไม่เกิดศรัทธาเช่นเราจะเข้ามาปฏิบัติได้แล้วเราอาศัยรูปแบบของพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติพืชดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์และเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาโดยพระสงฆ์ได้อาศัยรูปแบบของการนุ่งห่มที่ ไม่ยุ่งยากชุดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งปีและหลายปีซึ่งต่างกับชาวบ้านมีรูปแบบที่ซับซ้อนแต่ละวันต้องเปลี่ยนผ้าแต่ละชุดแต่พระสงฆ์ชุดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนทั้งปีก็ยังอยู่ได้ก็จะไม่เป็นภาระของชาวบ้านที่จะต้องขอนขวายแสวงหาเสื้อผ้าอภรรตมาให้ท่านตัวท่าเด่งก็จะไม่มีภาระในการจะแสวงห า, าเครื่องนุ่งห่มที่หลากหลายยุ่งยากหลากสีหลากชนิดหลากยี่หอ้อ ท่านมาชิททิศเดียวสีเดียวอยู่ได้ทั้งปีเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดภาระต่างๆให้น้อยลงเหลือเวลาที่จะไปแสวงหาสัจธรรมความจริงได้มากขึ้นรูปแบบอาหารการรับประทานอาหารชาวบ้านอาจจะมีอาหารหลักมากมายหลายอย่างหลายชีทหลายรสหลายชาติหลายรูปแบบแต่พระของเรานั้นเพื่อลดความยุ่งยากลงท่านก็รวบรวมอาหารทุกรูปแบบลงในที่เดียวกันคือลงในบาท ฉันในที่เดียวปนกันทุกอย่างนะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาปรับปุงหุงหาอะไรให้มากอะไรที่ตกปฏินนบัติก็ฉันนั้นนั้นะที่เป็นอาหารบริโภคได้ทั้งอาหารดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยไม่จําเป็นจําเป็นหรือว่าอะไรก็ได้ที่บริโภคแ ล, ล้วาให้อิ่มรักษาบําบัดความหิวได้ก็คือว่าไม่ต้องมีรูปแบบมากมายนะแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องถ้วยถว้โอชามให้ยุ่งยาก พอบริโภคเสร็จก็ทาร้างแต่บาดอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าเป็นการใช้รูปแบบเพื่อให้เกิดเนื้อหาบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหมายความว่ามันลดลั ด, ดทอนความเกินจําเป็นเสียเวลาออกไปเพื่อจะเอาเวลาเหล่านั้นมาสแสวงหาเสรจธรรมขั้นสูงขึ้นไปเพื่อเราจะได้แสงสว่างมาดับความมืดของตัวเองที่มันบดบังจากสุขของเรา แต่ความจริงแล้วใจเราไม่ได้มืดใจของสรรพสัตว์นั้นสว่างทุกดวงมีพุทธะอยู่ทุกดวงเหมือนกับแสงพระอาทิตย์บางวันบางวันมืดบางวันสว่างบางวันสลัวบางวันก็แดดจา้าบางวันแดดไม่มีไม่ใช่เพราะพระอาทิตย์ที่จะหดแสงหรือว่าจะดับแสงในตัวของมันเองแต่เพราะสิ่งมาบดบังถ้าสิ่งที่บดบังมากมันก็ทําให้มืดมากสิ่งบดบังน้อยก็มืดน้อย จิตใจของเราเ ม, มื่อกันมีจิตใจทุกดวงในสว่างเป็นพุทธจิตทุกดวงแต่บางครั้งอารมณ์เรามืดอารมณ์เราสว่างบางครั้งอารมณ์เสหลวอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์รักอารมณ์ชอบอารมณ์ใคร่อิจฉาพยาบาทโมโหโทโสอันล้วนแต่เป็นเพียงเมฆหมอกที่ไปบวบังในบางครั้งบางคราวซึ่งเราเรียกว่าอารมณ์ดังนั้นเมื่อเมฆหมอกเหล่านี้เร า, าผ่านไปจิตใจก็ยังแจ่มใสและมีความสุขเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความจริงในส่วนนี้เราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะจัดเมฆหมอกให้เคลื่อนย้ายคล้ายคล้อยออกไปจากจิตใจของเราจิตใจเขเยังมืดมนอยู่แต่ว่า <c oughs> ธรรมชาติภายนอกเนี่ยการที่จะไปกําจัดเมฆหมอกออกจากดวงทิตย์ก็เป็นเรื่องยากเกินวิสัยของเราแต่ว่าการที่จะโยกย้ายเอาเมฆหมอกของกิเลสความอยากทั้งหลายออกจากจิตใจนั้นไม่ยากเหมือนกับย้ายเมฆจาก พระอาทิตย์เพราะอาศัยหลักการขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้และได้ปฏิบัตินะอันนี้คือเราจึงจาริกไปเพื่อเผยแพร่สิ่งนี้นะซึ่งตารมเองนั้นจะมีเวลาอยู่เมืองไทยแค่หเดือนไปอยู่เมริกาและยุโรปซะหเดือนเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีมาปีนี้ก็งานเยอะขึ้นในเมืองไทยไม่ว่างานก่อสร้างงานเผยแพร่ ง, งานอบรม ง, งาน ศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นก็ต่อไปก็จะเหลือเวลาทางส่วนอื่นน้อยลงเวลาเมืองไทยจะเพิ่มขึ้นทางนี้เพื่อที่จะให้คนไทยเราได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เพราะปัจจุบนันใ้คนไทยหันมาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อก่อนส่วนใหญ่คนไทยก็เป็นเพียงสมถะคือบําเพ็ญให้จิตสงบก็พอแล้วให้มีปัญหาลดลงก็พอแล้วแต่ไม่ต้องการ ต้นต่อของปัญหาหสิ้นเชิงด้วยการกลบไว้เกลื่อนไว้ด้วยอำนาจของสมระโด้วยการใช้เพียงยาทาแต่ไม่ยอมกินยาหรือไม่ยอมฉีดยาให้เปลนทำลายต้นต่อของโรคมีอะไรก็ใช้เพียงยาทาคือเป็นสมรภวิปัสนาเป็นยากินสมรภเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินสมระเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยาฉีดคือตลอดถึงการผ่าตัดเพื่อไปเอาสมุนฐานของโรคออก ชั้นใดก็ดีมนุษย์ทุกคนจะมีโรคอยู่สโรคคือโรคราคะโรคโทสะและโรคโมหะแต่โรคราคะโทสะโมหะเป็นโรคทางจิตวิญญาณโรคทางวิญญาณโรคทางกายเนี่ยหมอทางกายรักษาได้โรคทางจิตหมอจิตแพทย์รักษาได้แต่โรคทางวิญญาณเนี่ยหมอเองก็เป็นจิตแพทย์เองก็เป็นโรคนี้รักษาตัวเองไม่ได้ นอกจากยาคือพุทธโอสถทธโมโอสุตสังฆโอสถคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นยาขนานเอกนในการรักษาโรคทางจิตวิญญาณแต่เมื่อเรารักษาโรคจิตวิญญาณหายแล้วเนี่ยรักษาโรค ก, กายก็รักษาง่ายโรคจิตก็รักษาง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายังมีโรคทางวิญญาณโรคโกหลงอยู่มันเป็นโรคที่ลึกและร้ายแรงโรคทางกายโรคทางจิตถ้ามันผิดติดเชื้อขึ้นมาก็อาจจะใช้เวลาไม่นาน รักษาหายได้แต่โรคทางโรคโกดหลงเนี่ยบางทีเรารักษาตลอดชีวิตมันยังไม่ยอมหายและยาดีขนาดไหนถ้าหากว่าขาดหมอดีวิธีใช้โรคไม่ถูกก็รักษาไม่หายเช่นเดียวกันนะยาในร้านมีร้อยอันพันยี่ห้อแต่ถ้าหากว่าได้หมอที่เลือกยาไม่ถูกโรคยาเหล่านั้นก็ปล่าประโยชน์คําสอนในโลกนี้ที่จะสอนให้คนหมดทุกพ้นทุกขามีเยอะแยะ แต่ถ้าหาว่าขาดครูบาอาจารย์ที่สเสมือนหมอที่มาชี้วิเนใัยไฉโรคให้ถูกจัดยาให้ถูกกับโรคนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยดังนั้นการที่ได้ทําบุญให้ทานในแต่ละแห่งนั้นเป็นเครื่องนำเปเครื่องชี้นําให้เราได้พบกับกัลยาณมิตรพบกับครูบาอาจารย์เหมือนเราหาวิธีไปหาหม อ, อไปหาหมอแล้วก็คน้นหาว่าหมอไหนดีรักษาโรคนี้ได้เก่งแล้วก็ไปหา เหมือนกันเราไปหาพระาารรครูบาอาจารย์วัดสถานที่ทําบุญสถานที่ทํากุศลเนี่ยก็แสวงหาครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์คนไหนที่จะสอนตรงกับโลกของเราทําให้โลกโลกกุหลาบของเราลดลงเราก็ไปสแสวงหาอาจารย์องค์นั้นอันนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นเรียกว่าเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นแพทย์รักษาโรค ก, กิเลสให้ลดเบาหย่อนลงได้ ดันั้นการทําบุญการกุศลอาจจะเปรียบเสมือนอเครื่องนํานทางเราไปสู่การรักษาโรคก็ว่าได้เบื้องต้นที่สุดเราเห็นคือรักษาโรคของความโกรธหลังจากเราให้ทานแล้วความโกรธแล้ความโลภเราจะลดลงความโลภนั้นถ้าไม่ถูกตอบสนองความชอบใจราคะในตระกูลเดียวกันเพราะในตระกูลเดียวกั บ, กบความสบายความสบายที่ขาดสติปัญญาเข้าไปดูแลความสบาย กายก็กลับมาเป็นความชอบใจความชอบใจเกิดขึ้นเรายังไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้มันก็จะกลายเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินขาดสติปัญญากําหนดรู้ก็จะกลายเป็นตัวตันหาไปเรื่อยๆแตกงอกออกรากไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นในพุทธศาสนาท่านถึงสอนให้เกิดสติปัญญาที่เปรียบเสมือนอยาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะเอ็กซเรย์ให้ จิตใจของเราเนี่ยได้หายโรคนะ เ, นเช่นเขาใช้แสงเอ็กซเรย์ต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นต้นตอของโลกเท่านี้เองเราทั้งหลายเมื่อกันมาปฏิบัติธรรมมาพบพระอาจารย์มาศึกษาสมถะบ้างวิปัสสนาบ้า ง, าางจนเราสามารถเกิดสติปัญญาสามารถถอดถอนอวิชชาตันหาวัฏฐานจำที่เป็นเหตุของราคะโทสะให้ออกได้ เราก็สบายขึ้นนะดังนั้นเองวันนี้พวกเราทั้งหลายได้ม า, าถวายนะภาพป่าพร้อมกับเพื่อนศิีมิตรสหายและยติธรรมของวัดแล้ก็มาร่วมกันโดยที่ไม่ได้รัดหมายนะก็นับว่าเป็นบุญกุศลบา ร, รมีของท่านเจ้าภาพและคณะที่ได้มาบําเพ็ญกุศลแล้วก็มีเพื่อนมาร่วมด้วย เพราะการให้ทานนั้นท่านบอกว่าถ้าเราให้ทานคนเดียวไม่มีใครร่วมเลยถ้าเกิดไปชาติหน้าท่าเลยยังไม่หมดกิเลสได้เกิดอีกท่านก็บอกว่าในชาติหน้าเราจะมีคนมีทรัพย์ร่ำรวยแต่ว่าไม่มีเพื่อนแต่บางคนได้ชวนเพื่อนทําบุญมากมายแต่ตัวเองไม่ยอมอิสระเลยคนนั้นเกิดมาชาติหน้าก็เป็นคนยากจนแต่มีเพื่อนเยอ ะ, อะแต่บางคนตัวเองก็ทําแล้วก็ชวนเพื่อนทําด้วย คนนั้นถ้าเกิดไปยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ต้องเียนว่ายใจเกิดอีกคนนั้นก็จะมีความบุญสมบูรณ์ทั้งเพื่อนมิตรสหายและทรัพย์สินสมบัติอันนี้ท่านปุราตญ า, าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นนั้นวันนี้เรามีทั้งเพื่อนมิตรสหายมาร่วมและมีทั้งการถวายให้ทานด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นความพร้อมของทัศน์ภาพในวันนี้ตอนนั้นอาจจมาภาพ ได้กล่าวธรรมเทศนามาก็ขออนุมโมทน า, าสาธุเพื่อเป็นอภิญฐานาการและชี้แจงว่าท่านมาเสียสละทรัพย์สินไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อไปสูงอะไรแล้วเราจะไปทําอย่างไรนะเมื่อรู้ที่ไปที่มาในทรัพย์สมบัติของท่านที่หามาด้วยความเนยากลําบากแต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะไม่สูญหายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์แต่ท่านก็ได้ประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์ทางศาสนา ที่เราได้แสวงหามาด้วยญยาติเหงื่อแรงงานและความระบากของเราในเมื่อมันได้จับใจใช้สอยออกไปและรู้ที่ไปที่มารู้ประโยชน์ที่คนจะได้เราก็มีความสุขในจุดนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สละทรัพย์เองก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมอนุมโมทาก็ดีก็ขอให้ได้ส่วนบุญในการทําบุญครั้งนี้ด้วยกัน และการทำบุญเท่านี้จงเป็นเหตุประจายให้ท่านเกิดสติปัญญาสามารถเห็นทางที่จะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกจากจิตใจคือรักษาโรคทางจิตวิญญาณให้หายาวิชาดันหาวุปทานแล้วจิตใจของเราก็จะไหลเลเทเอียงไปสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานโดยการทุกคนทุกท่านถือ